ตอนที่21ดลางร้ายครั้งใหญ่จิตวิญญาณการต่อสู้ของชูหลิงลุกชนขึ้นแล้วแต่เขากลับมองข้ามจุดหนึ่งไปอสเนบาต ท, ที่ฟาดลงมากลางฤดูหนาวเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วทั้งเมืองอวีตูอย่างมหาศาลพระสายฟ้าฟาดครั้งนี้ไม่รู้ว่าผู้คนในอวีตูต้องนอนไม่หลับกันมากเท่าใดพระสายฟ้าฟาดครั้งนี้ไม่รู้ว่าผู้คนในนครจักรพันธิต้องนอนไม่หลับกันมากเท่าใดพระสายฟ้าฟาดครั้งนี้ไม่รู้ว่าผู้คนในวังอวีต้องนอนไม่หลับกันมากเท่าใด เร็วเข้าเสียงเร่งร้าวทาลายความเงียบสงัดสํานักจงซูสว่างสวัยด้วยแสงไฟหว่างรุ่ยอคารเสนาบดีฝ่ายขวาผู้เป็นหัวหน้าเวนยามค่ําคืนสวมเครื่องแบบเรียบร้อยและนั่งรอข่าวสารอยู่ในห้องทํางานมานานแล้วเมื่อได้ยินความเคลื่อนไหวหวางรุ่ยเพลิจะขยับกายลุกขึ้นตามสัญชาตญาณแต่แล้วก็ขมวดคิ้วชะ ง, งักไปในจังหวะที่เหงาร่างหลายสายปรากฏขึ้นที่หน้าประตูหว่างรุย่ยจึงนั่งลงบนเก้าอี้ขุนนางตามเดิมกว่าสายตาอันเย็นชาไปมอง สู้เจออุกวาห ล, ลิงไถหลางแห่งกรมราศาสตร์คำนับท่านอคคอนสนาบีลู่เฟิงอุกวาเป่าจังเจอรแห่งกรมราศาสตร์คำนับท่านอคอนสนาบีอุกกาเชี่ยหูเจ้รงแห่งกรมราศาสตร์หวังรุ่ยขมวดคิ้วมองคนกลุ่มนี้การเกิดฟ้าร้องกลางฤดูหนาวโดยไม่มีวิแววเช่นนี้สำหรับต้าอาวีในยามนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอน ความจริงก่อนที่ฟ้าจะร้องหวังรุ่ยกระตื่นขึ้นมานานแล้วทางด้านวังหวีมีแสงไฟลุกโชนผิดปกติปรากฏขึ้นขุนนางที่เขาเวนตามหน่วยงานต่างๆในนะครจกักรพรรดิย่อมมองเห็นกันไม่น้อยหว่างรุย่ยที่กำลังหลับสนิทถูกคนสนิทปลุกให้ตื่นและเมื่อทราบเรื่องเขาก็ตกใจอย่างยิ่งวังหวีเกิดแสงไฟลุกไม่ขึ้นมาดื้อเช่นนี้ย่อมหมายความว่าเกิดเพลิงไม่แน่นอนทว่าจุดที่เกิดเพลิงไม่คือที่ใดกันแน่นั่นคือสิ่งที่หว่างรุ่ยห่วงกังวลที่สุด ในใจของหวังรุ่ยสิงที่เขาไม่อยากเห็นที่สุดคือตาหนักต้าซิงเกิดเพลิงไหมเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมต้องเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ตามาแน่จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ที่ยังเงยาว์วัยผู้นั้นการแสดงออกที่หน้าตำหนักโซ่ห่วงได้สร้างความตกตะลึงแก่ผู้คนมากมายจนทำให้หลายคนแอบไปรวมตัวกันลับลับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเตาปหน้าลงศพหลวงของจักรพรรดิองค์ก่อน อย่างไรเสียจากระพัดองค์ใหม่นี้ดูเหมือนจะต่างจากที่พวกเขาคิดไว้ซึ่งนั่นหมายความว่ามีผลประโยชน์ให้กอบโกยได้แน่นอนว่านี่เป็นเพียงความคิดของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นคนพันหน้าใจหมื่นดวงในอวีตู้ย่อมมีพวกเวยโอกาสแต่ก็ไม่ได้มีเพียงคนประเภทนี้ต้าอวิ่งเรือขึ้นมาจากกลียุกให้จูสถาปนาแควานด้วยกำลังทหารและยุติความวุ่นวายนั้นลงทําให้ใต้ล่าล้วนสยบยอมแม้ต้าอวีจะมีปัญหาและข้อบกพร่องสะสมอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ประบางถึงขั้นจะล่มสลายลงทันทีที่เกิดเรื่องพูดมา ภายในห้องทํางานหวางรุ่ยเอ่ยด้วยน้ําเสียงเย็นชาขณะมองไปยังคนเบื้องหน้าท่านอัครเสนาบดีนี่คือลางร้ายครั้งใหญ่ขอรับซูเจออุกอาจหลิงไถหลางมีสีหน้าตื่นกระหนกเขายกมือขึ้นประสานคํานับหวังรุย่ยอสนนบาตกลางฤดูหนาวคือคําเตือนและค่าน้อยพิจารณาดาราพยากรณ์ยามค่ําคืนพบว่าดาวจักรพรรดิเบี่ยงออกจากตําแหน่งเพียงได้ยินถึงตรงนี้หวางรุ่ยก็รู้สึกหน้ามืดไปชั่วขณะเป็นไปไม่ได้ เสียงตวัดลั่นของหวังรุ่ยดังขึ้นในห้องซูเจอรและคนอื่นๆต่างพากันคุกเข่าหลงพวกเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าภาพลักษณ์บนท้องฟ้าที่เห็นจะเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับดาวจั ก, กรพรรดิหากมีการเคลื่อนไหวใดๆย่อมเป็นเรื่องที่สันสะเทือนไปทั่วราชสำนักและใต้ล่าทว่าความจริงก็คือความจริงขณะที่หวังรุ่ยกําลังจะเ อ, อ่ยบางอย่างเสียงฝีเท้าเร่งรีบก็ดังขึ้นนอกคลองทําให้หวังรุ่ยต้องระแวดระวังจากนั้นคนผู้หนึ่งก็พุ่งพลุดเข้ามาท่านอคาเรเซนาบดีต้้าาาฉงงเริมมถึแลวขอับ คนผู้นั้นมีสีหน้าหลนลานรายงานต่อหวังรุย่ทยท hey ห่วงไท hey เฮาหวังรุ่ยใจหายวาย่าบยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อก็เห็นต้าช้างเลอเดินก้าวยาวๆเข้ามาใบหน้าของเขาบึง้งตึงเคร่งขรึมเมื่อเห็นซูเจอร์และคนอื่นๆวาวตาของเขาก็ใช้ประกายสังหารวูปหนึ่งคำนับท่านอคครนสนาบีต้าช้างเลอสงบจิตใจเดินตรงมาหาหวังรุ่ยแล้วประสานมือคำนับภายใต้การจับจ้องของหวังรุย่ยท่านต้าช้างเลอหวังรุ่ยประสานมือคำนับตอบ แม้เขาจะมีตำแหน่งสูงถึงอัคราสเนาบดีฝ่ายขวาแห่งสำนักจงซูแต่ฐานะของคนตรงหน้านี้กลับพิเศษยิ่งนักเพราะเขาคือคนสนิทของไทฮวงไทเฮาอย่าว่าแต่เขาเลยแม้แต่อัคราสเนาบดีฝ่ายซ้ายอย่างสวีชูเมื่อพบเจอก็ยังต้องให้ความเคารพจะตีสุนัขยังต้องดูเจ้าของตัวต้าช้างเลออาจไม่สำคัญแต่ไทฮวงไทเฮาที่อยู่เบื้องหลังเขาละ่ะหากกล้าเสียมารยาต่อต้อตาช้างเลอมิเท่ากับเป็นการหมิ่นพระเกียรติไทฮวงไทเฮาหรอกหรือ รับพระเสาวนีท้าห่วงท้เขาเรียกตัวอุกานหลิงไถหลางอุกานเป่าจังเจอรงและอุกานเชี่ยหูเจิ้งแห่งกรมาราศาสตร์ที่เขาเว้อยู่ให้เข้าวังท่านอัครเสนาบดีเมื่อครูนี้ท่านได้ยินสิ่งใดบ้างหรือไม่ภายใต้การจ้องมองของหวังรุ่ยตาช้างเลอเ อ, อ่ยด้วยสีหน้าเย็นชาและเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายหัวใจของหวังรุ่ยก็บิดขั้นขึ้นมาอย่างประหลาดมือที่ทิ้งข้างลำตัวสั่นเทาเล็กน้อยหามีได้ข้าไม่ได้ยินสิ่งใดหวังรุ่ยรักษาความสงบนิ่งเ อ, อ่ยตอบต้าช้างเลอ ท่านอัครเสนาบดีสู้เจอและคนอื่นๆเห็นดังนั้นก็เผลอมองไปทางหวังรุ่ยด้วยความหวังแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้พูดอะไรคนหลายคนก็พุ่งออกมาจากนอกห้องควบคุมตัวพวกเขาไว้อย่างรวดเร็วอื้ออื้อสู้เจอและพวกพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ภายใต้การพันธนาการของคนเหล่านั้นทุกอย่างกลับดูไร้ประโยชน์ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าน้อยก็ไม่ขอรบกวนแล้ว ตาชางเลื่อปลายตามองหวังรุ่ยอย่างมีความหมายทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งก่อนจะหันหลังเดินออกไปจากห้องส่วนซูเจ๋อและคนอื่นๆถูกควบคุมตัวและคุมขังออกไปท่านอัครเสนาบดีคนที่เหลืออยู่เห็นเหตุการณ์จึงเพลอเอ่ยถามหวังรุย่ยเรื่องในคืนนี้ห้ามแพร่งแายออกไปเด็ดขาดหวังรุ่ยโบกมือตัดบทแล้วก็ใครที่ไปกรมราศาสตร์มาบ้างจัดการให้สะอาดคนผู้นั้นใจหายวาบับ นี่คือการฆ่าปิดปากเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ถึงกับต้องลงมือรุนแรงถึงเพียงนี้แย่แล้วกรมโหรศาสตร์เกิดเพลิงไหมขณะที่คนผู้นั้นกำลังครุ่นคิดเสียงตะโกนก็ดังขึ้นนอกห้องหวงังรุ่ยได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งออกไปดูท่ามกลางความมืดมิดเหนือท้องฟ้าบริเวณหน่วยงานต่างๆในนครจักรพรรดิดูเหมือนจะมีเปลวเพลิงขนาดใหญ่กาลังโผล่พุ่งขึ้นมาเหลียงหวงเจ้าช่างอมหินัก เมื่อเห็นภาพนี้เงาร่างของต้าช้างเลิกก็ผุดขึ้นมาในหัวของหวงังด้วยเขาคิดไม่ถึงเลยว่าในขณะที่เหลืองหวงเร่งมายังสำนักจงซูจะสั่งคนให้ไปยังกรมาราศาสตร์ไว้ก่อนแล้วภาพลักษณ์บนท้องฟ้ามีใช่เพียงใช้ตาเปล่าก็มองเห็นได้ครบถ้วนแต่มันต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยและที่กรมาราศาสตร์ก็มีอุปกรณ์ดูดาวที่สมบูรณ์ที่สุดทว่าในเวลาอันสั้นเพียงนี้ไทห่วงไทเ่ า, าในวังหวีกลับล่วงรู้บางอย่างเห็นได้ชัดว่าในกรมาราศาสตร์ต้องมีคนรายงานต่อไทห่วงไทเ่ า, าไปแล้ว ตาอาวี๋กำลังจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งอย่างนั้นหรือเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หวังรุ่ยก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในช่วงพริบตานั้นความกังวลก็ผุดขึ้นในใจและตามมาด้วยความหวาดกลัวคืนเดียวกันวังหวีตําหนักช้างเลอะฆ่าคนผู้นั้นเสียสุรีพิงหมอนอิงใบหน้าแสงไปได้วยความเหนืย้านางเอ่ยกับคนตรงหน้าว่าเรื่องนี้ไอเจียไม่ต้องการให้ผู้ใดล่วงรู้พยค่ะ คนผู้นั้นประสานมือรับคําทันทีทางตําหนักกระลูกมีความผิดปกติใดหรือไม่สุนหลีเอ่ยถามทูลไทห่วงเทหาไม่มีพยาค่ะคนผู้นั้นรีบประสานมือรายงานวังหวีไม่สะอาดเสียแล้วดวงตาของสุนหลีเย็นเยียบนางมองไปยังคนผู้นั้นไปสืบมาไอเจียอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความวุ่นวายถึงขั้นกล้ารอบวังเพลิงที่ตําหนักต้าซิงบ่าวเข้าใจแล้วพยาค่ะ คนผู้นั้นก้มสีสลงขอให้ห่วงให้เาปรดวางพระไทยบ่าวจะสืบหาความจริงเรื่องนี้ให้กระจ่างแน่นอนพยะยะค่ะออกไปได้แล้วสุลีโบกมืออย่างเหนื่อยล้าในยามนี้หัวใจของสุหลีเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนางคิดไม่ถึงเลยว่าตาอาวี๋จะต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายเพียงนี้ซึ่งมันต่างจากที่นางเคยคิดไว้โดยสิ้นเชิง